เป็การเวลาที่เราแสวงบุญเดือนเเป็นถึงเดือนที่สองเผ็นสองเพื่อแสวงความดีเข้าสู่ใจเพื่อจิใจจะมีกำลังฟาดเบี่ยงกับก้าศืบของวัตวุน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 เก็นักมันก็ไม่รู้มันมีอะไรทําให้รักทําให้เกลียดให้ชังมีอะไรทําให้เกลียดให้ชังมันก็ไม่รู้สุดท้านมันก็พอใจทั้งหมดธรรมชาตินั้นบงการยังไงมันก็พอใจไปทั้งมันมันไม่รู้จุกตัวว่าผิดหรือถูกประกันไหนนี่มันลึกลับ ก็พอใจเลียยโกรธก็พอใจเนี่เป็นเรื่องของธรรมชา น, นี่แสดงออกแล้วมันพอใจทั้งนั้น <c oughs> พอเห็นได้ชัดเจนแล้วทำลายได้เลยความคาว่าโลกมันก็จะหมายถึองอะไรหมายถึงโลกกับธรรมมก็หมายถึงคู่ต่อสู้กันดีมันเป็นคู่เคียงกันม า, มาแล้วแต่ใครจะหนักกว่าทางไหนทางไหนมันแต่ฝ่ายไหนมีมากฝ่ายโลกในหัวใจมีมากคงก็พัดผันน้องใจ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 ธรรมชาติที่มีอันเดียวนี่เป็นพวกมีกำลังต่อสู้ปาดฟันจิตทำาอะไรยลงไปท้ายในจุดเดียวกันถึงจะมีอันเดียวเอกรทําเอาก็จิตอันเดียวที่นี้ไม่มีอะไรมาเป็นผู้ต่อสู้ ที่ดูยังท่านอนิพานมีอะไรไปแทรกเกิดในนิพพานที่ว่าปฏิจากความก่อแจกิจตา ย, ยท่านบอกไปแล้วแล้วมีอะไรไปแทรกเกิดแทรกตายอยู่ในนิพพานนีไหมก็คือหมายเขาว่าไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเกิดแทรกตายในกิจดวงนั้นไม่มีอะไรธรรมชาติบังคับกิจก ด, ดนั้นให้เกิดแก่กิดตายเหมือนแต่ก่อนอีกนน่ะท่านหมด ท่านเดยวอมบรมมาสุบมบรมมาสุบปรมังปรมังนะหมายถึงเยี่ยมยอดเยี่ยมบนี้คือไม่มีอะไรเสมอเลยไม่เป็นเหมือนโลกทั้งหลายเป็นกันคือไม่สุกเหมือนโลกทั้งหลายสุขกันโลกจะมีมากขนาดไหนเต็มโล ก, กว่างั้นทุกคุะไม่มีอะไรเหมือนเนี่ยมีอันเดียวเท่านั้น ตัวมะปรางมังสุ ข, ขมัมภิโมกขะนี่ก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังนะที่พูดไปนี่นะมันจะต้องคาดทันทีอจิตเนี่ยจิต ด, ดวงนี้อมันมทํานี่ทํานานเรื่องการคาดการฝันต้นเดาไปานล้วนี่ก็มีธรรมชาติอันหนึ่งพาให้มันเป็นนั่นแต่เราก็ไม่รู้อีก ชุดเอื้องหมดหวังว่นนานยังอีกเท่านั้นเท่านี้คาาป้าค่าตะ น, นุนคาาไปลงไปแล้งที่ไหนมันมีอยู่ที่ไหนนั่นอ่ะข้อจริงมันก็อยู่กับตัวที่มันแสดงอยู่นั่นแหละตัวคาดกับตัวนี้เองค่าตนุนกับตัวนี้เองคาดลงค่าแล้งหลับตาเลยกับตัวนี้เอง แต่พอย้อนเข้ามาหากจะมีที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีอยู่จุดเดียวที่มันแสดงอยู่นั้นเท่านั้นหากันย้อนเข้ามาที่นี่มันก็มาทราบกันที่นี่นก็ทําลายกันที่หมดแล้วมันสูดเอื้อมหมดหวังไปที่ไหนอีกมันก็อยู่ที่นี่นี่นี่มันละเอียนมากจริงๆธรรมชาตนี้มันถึงได้ครองโลกครองจิตวิญญาณของแต่ละดวงดวงได้อย่างไม่มี อินญาณดวงในทราบมันเลยเรื่องของมันแล้วยอมจายอมมันตลอดเลยนิมมันมีบนหัวใจเราจำยอ ม, มตลอดแจะเป็นเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็ทํามันไม่ให้รู้เรื่องทั้งนั้นนะกว่ากติปัญญาหยั่งลงไปหยั่งงไปสร้างลงไปเรื่อยเรื่ยงไม่เคยเห็นละ สติปัญญานี้ก็ไม่เคยมีสติปัญญาประเภทที่จะฆ่าพิเลนเนี่ยไม่เคยมีเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะรั้วพูดแสาธุเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะไม่ใช่สติปัญญาที่จะมาฆ่าพิเลนนี้นะฟังให้ดีนะสติปัญญานี้เป็นสติปัญญาของโลคิยาปัญญานั่นไม่ใช่โลกุตระปัญญาจะมาฆ่าพิเลนได้ยังไง ตัวโบรามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองคลิกของมันเองโดยอาศัยโลกิยะปัญญาอาศัยปริญญาที่เราศึกษาเข้มาเรียนมามากน้อยนั่นแหละนั่นแหละเป็นเงื่อนแต่ไม่ใช่อันนั้นอาศัยอันมามาเป็นปัญญาควรแกการข่าครับพิเดกควรแกการฆ่าธรรมชาติอันนี้ควรแกการรู้เห็นธรรมชาติอันนี้เนี่ย ก็มาลูกของนี้ไม่ใช่ปัญญาอะไรธรรมดาธรรมดเพื่อไปที่ช้กันอยู่นี่เต็มโลกเต็มสารก็เถอะไม่มีปัญญาใดที่จะไปแต่ต้องมันได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาธรรมที่ควรแก่กันตอนนั้นปัญญาธรรมก็หมายถึงปัญญาภาคปฏิบัติมันันเป็นขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองนังที่ว่าเจ้าทำมาทำเกิดทำเกิดนั่น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 หิเหลมีความแรงขนาดไหนมาดั้งเดิมเอาทําก็มีความแรงเช่นเดียวกันนั้นเมื่อเวลามีกําลังแล้วก็ตุงแรงมกันจนไม่ต้องถึงเอากันอยู่ในเงื่อนมือของปัญญาประเภทนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าคดีเสาขมารคดีฆ่าี่เลสได้ด้วยปัญญาปร ะ, ประเภทที่ว่านี่เกิดเองเกิดในจิต น, นี่เป็นประเภทที่ฆ่ากิเลส สติก็ไปจากสติลบรู้กุครานีไปเรื่อยๆต่อไปก็ค่อยตั้งได้ตั้งได้เรื่อยสัมปัชัญญะสติที่ตั้งตั้งเรื่อยๆตั้งเรื่อยอย่างนี้เสมอเสมอตั้งเรื่อยๆแล้รู้รู้รรู้รเรื่อยๆท่านสติพอมันเชื่อมมันเข้าเป็นความรู้สึกตัวอะพอเชื่อมมันเข้าสติยืดยาวไปก็เป็นสัมป right. ัชัญญารู้สึกตัวไปเรื่อย ถ้าจากความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวขึ้นไปก็เป็นมหาสติปัญญาก็ล้มลุกคลานเหมือนกั น, นคิดนั่นคิดนี้คิดผิดคิดพลดคิ ด, ค ด, ค ด, คดอะไรต่ออะไรเดินไปเรื่อยๆธรรมดามีถูกมีผิดมีฝืดมีเครืองในการคิดติดตันอันตุมันไม่อยากออกกิเลสปิดไว้ไม่ให้ออกถึงเวล า, า ม, ออมันก็ค่อยออกอมันเลยเรื่อย จนกลายเป็นมหาเศรษฐมหาปัญญาอะไรแบบ น, นี้อันนี้เป็นคู่ควรอย่างยิ่งถ้าอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแน่ที่สุดว่ากิเลนนี้นับวันเหมือนเช่นเดียวกับโคหรือสัตว์อาหนณาี่เขาเอามาเลี้ยงไว้เต็มบริเวณที่เขาเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเลยตัวนี้ตายวันนั้นตัวนั้นจะต้องตายวันนั้นตัวนั้นจะต้องตายวันนั้นจนไม่มีอะไรเหลืออะไรสัตว์นะันที่บริเวณ ที่เลี้ยงเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยก็ไม่มีเหลือเพราะตายแต่วันนะัเท่าไหร่เท่าไหร่เรื่ อ, อยเืจนกระทั่งหมดแล้วที่จะมาเพิ่มอีกของการเลี้ยงสัตว์เขามีอะไรมาเพิ่มนะแลาวเขาซื้อเรื่อยมาในเรื่องของอิเลีไม่มีเพิ่มอลลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดแล้วไม่มีเพิ่มเรื่องอิเลียนนะมีแต่วันตายไปตายไปตายแล้วจะ อ, อะไรมาเหลือมันชัดเจนอยู่ขนาดนั้นสติปัญญาประเภทนี้ ไม่เคยรู้มันก็มันก็ชัดมันอย่างนี้เมื่อรู้แล้วมันก็รู้รู้ก็ไปเรื่อยๆชัดเข้าไปเรื่อยๆอย่างวิติพญาวิเศษห้ามหันกข้าไเหลยอย่างไม่มีท่อถอยมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งที่จะเอาให้ให้อยู่ในขณะนั่งขณะนั้นเหมือนอย่างนั้นนะนีทีนี้เมื่อไปอย่างนั้นแล้วมันจะไกลไปไหนร่วงอยู่นี่ที่ไหนเขาไม่คว้านี่ไม่คว้าไปเอาอยู่ก็เหตีกับผลที่มัน ก็ผลที่มันแสดงกันอยู่นั่นนั่นอะสู้กันอยู่นั่นเหตุอยู่ที่นั่นก็สู้กันอยู่ตรงที่เหตุผลก็เกิดขึ้นที่นั่นสติปัญญาอันนี้หลับเป็นข้าเรป็นข้าพิเดศ้็ขาดขาดเป็นขาดไปขาดไ ป, ดไ ป, ดไปเรื่อยๆไม่มีกิเดศใหม่เกิดขึ้นมาได้แล้วมีแต่ที่มันมีแต่เก่าะก็หมดไปส่วนสติปัญญามันขึ้นไม่ถอยนี่เช่นเดียวกับพิเลศที่เคยเกิดในหัวใจเคยครอบงําหัวใจนั้นเนี่ย นี่สติปัญญาเข้ารักษาใจก็เหมือนกันเพราะจริงๆว่าสติปัญญาเป็นเจ้าของจิตจิตนี่อะไรเป็นเจ้าของสติปัญญาเป็นเจ้าของเนี่ยองสติปัญญาได้เข้าถึงจิตได้สนิทด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่เอาลงไปเกิดเองเกิดเองอยุ้ยนไหนเกิดไม่คาดไม่ฝันเกิดได้หมดิอย่างพระเราก็ชันหันนี่เอ้นั่นอยู่เมื่อไหร่ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากไม่ได้อยู่กับอาหารหวานเข่าเลย มันอยู่กับเหตุกับผลกับการต่อสู้กิเลสอยู่อย่างนั้นตลอดไม่สนใจกับรถกับชาติอะไรนี่เนี่ยถึงขั้นมันมันหมุนติ้วกวนอย่างนั้นแหละเหมือนกิเลสหมุน น, นั่นแหละธรรมหมุนก็เหมือนกันนะใช่ว่าโลกกับธรรมนี่มันเป็นคู่เคียงกันม า, า น, นจะว่าไงโลกต้องเป็นโลกถ้าเราพูดถ้ามันเต็มปากคือว่ากิเลสมันต้องเป็นกิเลสกิเลสทําให้เกิดโลกหากเกิดแก่เกิดตาย ทำมาให้ดับยังไม่ดับก็ยังสู้กันให้พออยู่ได้เป็นไปได้เช่น ค, คนเกิดสถานที่ดีอติที่งามปฏิไปสวรรค์ไปพรมโลกอย่างนี้นักกับพราะบุญพาไปบาปไม่ได้พาไปนี่นะนั่นลงนรกอเวจีเลรับฐานกรรมทัพโทษต่างๆทุกทรมารต่างด้วยมากแห่งกรรมช่วเนี่ยเรื่องของยิ่เล่มันพาให้เป็นอย่างนั้นมันเป็คู่กันมาอย่างนี้คนเราจึงวันวันเวลาหนึ่งจี่มีความสุขความทุกข์สับ ปนกันไปสต่ปนกันไปอยู่อย่างนั้นแล้วย่นเขาย่นเข้ามาภายใจิตก็จิตมันเป็นอย่างนั้นนี่นี่ยอันหนึง่งขนาดนี้จิตเป็นอย่างนี้ขนาดนั้นจิตเป็นอย่างนั้นจึงทําให้เกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างตามขนาดของจิตที่แสดไปในทางที่ถูกและผิดนี่เราดูเรื่องจิตนี้เลยภพชาติมันก็ไป็ประจักษ์จิตเกิดในภพนั้นภพ น, น, พนี้มันเกิดปจกกักจิตตรงนั้นจิตพระธรรมชาติอันหนึ่งหมุนจิตพระให้ไปแล้วในขณะเดียวกันธรรมก็หมุน พาไปเหมือนกันถึงวนนาระของใครที่ควรจะได้ทีก็เอาพาให้จะเกิดในสายตาที่ดีก็อำนาจของทำเอาไปถเกิดในที่ ท, ที่ที่ชั่วอำนาจของที่เลอาไปส่วนเชื่อคืออวิชชานั้นเป็นพื้นแม้แล้วน่ะเชื่อแความเกิดเกิดดีเกิดชั่วมันเป็นนิบัติหนึ่งที่เกิดจากการทํานิทําชั่วมันจึงเป็นจังหวะจังหวะจังหวะึงกระทั่ง จิตมัน่อต่อสู้กับสิ่งที่เป็นค่าสูงตัวเองออกทั้งหมดแล้วมันทุไม่เป็นขนาดทีน่นี้จิตนั่นแหะในขันในธาตุที่ทรงธาตุทรงขันของจิตอยู่นี่แหละแลไม่มีคําว่าจิตขนาดหนึ่งเป็นอย่างนั้นขนาดหนึ่งเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะอะไรจึงไม่มีเพราะว่ามีสิ่งให้มีที่เรียนนั่นแหะพาให้เป็นพาให้คิตประเด็ต่างๆเพราะมันไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเป็น คนเหลือแต่ขันมีแต่ขันมันก็ดิ้นก็ะดิกตามภาษีภาษาของมันฟังแต่ว่าขันขันนะขั้กิดมันเป็นเดียวกันมหมดเลยมันเกิดจากกิดแั่ไม่ใช่จิตแน่รู้จะทัดยี่นหัวใจเขาไม่มีใครจะรู้นัเนี่ยถ้าไม่ใช่ภาคนักปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติจเจ้าความสำคัญมันหมายไปจับไปรู้อีมันจับไม่ได้รู้ไม่ได้จนตายก็ตายทิ้งก็พอแ่้วพอภาคปฏิบัติเข้าไปจับดังพระพุทธเชาและสาวก มีตะภาพปฏิบัติทางนั้นท่านจับมีตะภาพปฏิบัติทา ง, ทาา ง, างานั้นทาย ท, ท่านพิเศษปริญาตจํามาแล้วเอาสิก็บอกแล้วเป็นพื้นพื้นมาท่านพูดมันไม่มีผิดเลยก็บียดนึงก็ไม่มีปริญัตนเนี่ยแจ่ ก, การศึกษาเห็นเราไปบวชกับอุศลย์อุชามอบปริยัตให้แล้วการศึกษาอาืศาเรามารัา ก, ารรากษาตั้แต่จบย่อๆอ่อนนะิกรนะเวลาไม่เทียงพอใะ้เขาฟังดีก็ได้มาแล้วปริยัต ปฏิบัติก็เอาไปพิจารณาสิเยซารุมา น, นะคะซ า, าตะจูเป็นต้นนั่นนี่เราควรจะย่อนะมันเป็นภาพระยะภาพปฏิบัติทีนี้มันจะรู้ไปโดยลำดับบรรดาจากการปฏิบัตินี่แหละความรู้อันนี้เป็นความเป็นสฏิบัติของเราแท้ไม่ เ, เหมือนกับความรู้ที่จํามาจํามาเรียนมาบ้างเท่าไรก็ตามมันเป็นความจําความจํานั้นเป็นออกมาจากธรรมพระเจ้ามันเป็นเพียงความจําหยิบยืมา ม, ามาเพื่อจะเอาความจริงในใจของตัวเอง จากภาพปฏิบัติของตัวเองเป็นของตนเองแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นภาพปฏิบัติจึงเป็นเป็นภาคที่จะเอาความจริงออกมาให้เห็นเหตุเห็นผลได้เต็มหัวใจคุณง่ายว่าเต็มอัดเต็มทำเต็มอยู่ที่นี้ทุนี้แหละผู้จะรู้มันจะมืดมาแสนมืดก็าตาม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 มันไปเกี่ยวข้องสัมัสสัมพันธ์อะไรมันก็เสกสรรปัญนหยอกขี่เหลื่ขึ้นมาภานใจตัวเองเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้มันก็เสกขึ้นมาที่นี่เสีกว่านั่นดีอันนี้ไม่ดีออันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังอันนั้นน่าเกลียดอันนี้น่าโกรธมันขึ้นในหัวใจนี่มันมีแต่เรื่องที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันแสดงตัวสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้แสดงนะา่านทิ้งทำทิ้งแก้ที่จีที่จิีที่จิบที่จิตื่นเลยพอมันเข้าใจกันแล้วมันจะมีอะไรสิโลก ว่าไม่มีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะตัว น, นี้ไม่ออกไปสําคัญเท่านั้นสิ่งใดก็มีเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดน่นมันก็มีมันเป็นของมันมีเกิดมีดับของมันไปเรื่อยๆมันไม่มาเกี่ยวข้องกับเราอืเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วไปหล ง, งเขาตังหา ง, างนี่เมื่อแก้ผู้นี้ให้รู้ตัวสิแล้อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งั้างหลายจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เป็นธรรมชาติเป็นความจริงของเขาอยู่นั้นมันตัวนี้ตัวต่างต่งหาเป็นตัวจองหองผู้นี้ไงดัดตันดานนั้น จะให้มันแหลกคุณไปใช่มันก็สบายเรื่องสบายก็มันมีประการนั้นจะหมดเวลาอันนี้จะหมดเวลาเหมือนสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งอ่นในโลกสมมตินี้อันนี้มันอยู่ได้วเวลาเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็เป็นนี่หาคำแน่นอนไม่ได้โลกทั้งนจ้าหญิงเรียวกว่าอนิจจงทุกขังหน้าตาจิกที่เป็นธรรมชาติรุน่นรุนของจิตของธรรมแล้วนั้นมันไม่มีคำอนิจจงทุกขังหน้าตาเอาอะไรไปมี ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปจับอยู่ในตรงไหนไปติดอยู่ในตรงไหนจะหาความแน่นอนไม่ได้จะต้องพังวันหนึ่งจนได้เลยแหละอันแน่นหนามันคงขนาดไหนก็ไม่พ้นที่มันจะพังเพราะอนนี้จังทุกหน้าตาอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยแต่ธรรมชาติของกิจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันไม่มีอันนี้แล้วจะเอามาพังเห็นไว่า น, นิพานเที่ยงนิพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงกิจถึงธรรมที่บริสุทธิ์พันหัวใจใจกับธรรมเปนเ็นเดียวกันแล้วเท่านั้นไม่มีหาอะไรก็ไปถึง สามเดือนตัวกระานนี้ตายที่งกระเป๋าถ้าหาลงตรงนี้เราจะเจอแล้วไม่หายตงสัยทันทีเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยลูกกรตามรูกเนี้วไม่สงสัยคําว่าสันติที่กวมุขเจ้าจึงเด็ดขาดที่สุดใ น, นหัวใจของผู้ปฏิบตัติเป็นตามขั้นตามภูมิเดิมดำได้จนกระทั่งถึงว า, าสุดท้ายสามิีิโกูนี้เด็ดขาดมากทีเดียวไม่ต้องไปถามใครล่ะตัดสินถึงขึ้นมาที่นั่นแล้วพอ นี่อะไรตวนี้เนาะบอกว่ามันไปเกินไป